เรคำว่าสัญญาเนี่ยเรื่องแรกหลวงพ่อทำเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธียวก า, างก้มลงเนื่อยขึ้นเอียงซ้ายเอียงหัวรู้มันพิษตาก็รู้เปนธรรมดา ก, ก้มเหนยอย่างเนี้ยคนอื่นมองไกลๆ ก, ก็เห็นมือก็แว่งไปแก้งมาอย่างนี้คนอื่นก็มองเห็นไกลๆเดินเดินนั่งนอนคนอื่นเห็นมันไกลอันนี้ยากอป็น บันเน่พิษตาบันเนี่ยละเอียดเข้ามาแล้วมั น, นก็มองเห็นที่มันน้อยเข้ามานี่แหะบันเน่ส่วนพิษตาเนาะเข้ามาหายใจพอยิงน้อยเข้ามานี่มองละเอียดเข้าไปก็จะเห็นไปอย่างนี้มองละเอียดเข้าไปบันเน้่ก็เลยคิดโอ้คิดเนื้อคนอื่นมองไม่เห็นแล้วบันเน่ตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วบันเน่แต่ควมรู้สึกอันนั้นมันรู้ควรรู้สึกตัวนี้เรียกว่าสัญญาเหมือนกันเราไปปฏิบัติเกิดมีความสนึกขึ้นมา อ๋อ oh. อันนี้พอยากแต่รู้ได้ทุกคนบ น, นี้เพราะคนถ้าหักตั้งใจศึกษาจ้องรู้ทุกคนหลวงพ่อจึงเคยพูดกันเล่นๆแต่พูดให้มันสนุกถ้าไม่พูดมันก็ไม่สนุกนี่ก็ต้องพูดเราเดินไปตามถานนเราเห็ดผ้าลดไปจากสิบครั้งแบบ น, นี้สมมุติเราเดินไปถนนเรผ้าเรามันไม่มีเข็มขัดมันหลุดลงยางผ่านไปตามถานนสิบครั้ง ก็ยังพอพอโทษเราได้ก็ยังไม่ละอายเท่าไหร่ขวมโกรธต้องมาเกิดขึ้นมาครั้เดือวนี้น่าละอายมากกว่าผ้าหลกในกล า, ถางถนนสิบครั้งนั้นมันมันมันควรที่ยึดหลักการอันนี้โอ้มันน่าละอายจริงๆเนี่ยทาไมเราไม่รู้พี่พี่น้องน้องมาหาบัตรตัวเองพูดเรื่องตัวเองนะวันนี้แล้วมาใกล้กูนะกูใจใหายนะเนี่ยบ้านหลวงเเรียกว่าใจใหายทางนี้เรียกว่าอารมณ์เนี่ย แใจหายเมื่อไหร่ก็เราพูดได้ทําไมจริงไม่ทิ้งคำว่าใจหายแต่เรารู้จากเราไม่รู้อันนี้แสดงว่าเราไม่มีสัญญาเราไม่รู้เพียงสัญญาจํามาจากคําพูดของคนว่าใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีใจหายเราไม่ได้มีสัญญาแต่มีมีสัญญาแบบสัญญาไหมล่ะรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้มันไม่รู้รู้อย่างไม่รู้อนเมื่อมันโกรธขึ้นมาทํำไมจริงไม่ทิ้ง แล้วมันโกรธมาทําไมเพื่ออะไรมันหน่าผู้สาหน้าเคารพน่านับถือไหมมันไม่หน้าผู้สาไม่น้าเคารพไม่น่านับถือน่าเกลียดแต่เรายังเป็นได้เนี่ยอ๋อนี่สิ่งสิ่งนี้เราเรียนมาแล้วครูบาอาจารย์มาอดเอาพอแม่ก็บอกว่าอดเอาพินเนาะอย่ากโกรธนะอย่าใจใหายนะแต่มันอดไม่ได้มันนี่แสดงว่า เราไม่มีสัญญาเมื่อมาทำอันควมเคลื่อนไหลเนี่ยเห็นจิตใจมันนึกมันคิดเราก็เห็นก็รู้สัมผัสแนบแนบ่อยู่บสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเครื่องป้องกันทันทีแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอารมณ์ที่มันจะทำลายกันไปเหมือนกันนักลอกที่หลวงพ่อเคยเปรียบขึ้นนะ่ะนักมวยไม่ใช่เป็นเซนเปี้ยนได้เพราะเรียนจากครูเราขึ้นซกในเวทีบอยๆเขา้าเราก็ตานานในการซก ครูจะสู้มาเราไม่ต้องไปซกแข้งซกขาเนี่ก็ได้มองที่ไหนแหละเออคนนั้นเดินไปโน้มนิ่งไปเพราะอะไรมันไปเพราะแข้งเพราะขาเนี่ยอะไรพามันไปเราต้องวิจัยเลยโอ้มันมีตามันมองเห็นมันจึงไปได้ถ้ามันมีตาแล้วมันมองไม่เห็นมันไปไม่ได้โอ้เราควรซกตามันหนูเขเคยพูดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคู่ต่อสู้ขึ้นมาเราก็เบอรไม่ต้องไหว้ครูแล้วแบบนี้ซกหลงตามันทีเดียวเลยซกสองมือเลยซก ใส่ตามันเลยพอดีมือเราทุกตามันต้องหลับอย่างนี้มันมืดตึ๊บเลยถึงไม่ตาให้บอดไม่อย่างเมื่อตึ๊บเราแบบนี้มันจะตีเราก็ตีไม่ถูกเลยเราหนีแล้วมู่นมันม้วนตาขึ้นมาเข้ามาเราก็ซกถึงตามันอีกมันก็เลยได้เป็นแฟนเปื้อนไม่มีอะไรเรื่องมันนี่เบื้องแรกอันนี้แหละวิธีที่จะทําให้คนเป็นคนถ้าหากเรายังเอาชนะตัวนี้ไม่แน่นอนมันไม่ใช่คน แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนพราเลือกคัดจัดหาความเป็นคนไม่ได้มันจะเป็นคนทํำไมคนเกิดมาเรียนหนังสือเพื่ออย่างเพื่อป้องกันข่มทุกป้องกันข่มทุกอะไรคือว่าข่ามทุกคือได้เงินได้ตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามเนื้อหน้าที่ได้เงินเดือนกันมาจากทุกเกิดขึ้นแต่โตัวเองกันไม่ได้บันนี้มีเงินบันเนี่ยได้เงินมาแล้วนึกว่าตัวเองจะมีความสุข มีความสุขอยู่อันนั้นก็มีแป้องกันตัวนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ไปนนอนดีเรยนอนสบายในะบ้านหลวงเขเรียกนอนดีนอนดีกินดีไปดีมาดีทางนี้อาจจะบอากินสบายนอนสบายหรือว่ายังไงหลวกก็ไม่รู้เหมือนกันดีแต่ไปดีมาดีแต่ยังไม่ใช่ดีเพราะมันยังมีสิ่งนั้นแต่มันไม่มีเมื่อมันเข้ามามันเข้ามาสบาย เพราะเราไม่รู้จักวิธีป้องกันอันนั้นก็ไม่ใช่คนพูดอย่าไม่จะหาว่าหลวงพ่อพูดหนักไม่หนักถ้าคนฟังเต็มแ่้วไม่หนักคนฟังไม่ถูกก็เรื่องวันหนักหาว่าหลวงพ่อเนี่พูดของไม่มีแต่มันมีในคนทุกคนเคยได้ยินบ่อยว่าอย่าพูดหนักหลวงพอ่อมันไม่หนักคนมันจะหนักทําไมเพราะคนต้องการอยู่แล้วแต่คนเพื่อมันหนักมันคนนั้นไม่สนใจเมื่อไม่สนใจมันจะรู้ทําไม นั่นจึว่าทิศที่จะวควรมเห็นควรมเห็นของเราเป็นอย่างนั้นจะไปห้ามคนอื่นไม่ให้พูดมันไม่ได้เรื่องของจริงเราพูดจะควมจริงคนทั้งเองเราต้องการให้คนรู้จักของจริงคือให้ทุกคนรู้จักคนและรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักควมเป็นค น, คนเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรจริงจะรู้จักว่าเราเป็นอะไรเราจะรู้เองการทำควมเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อสมบูรณ์แล้ว มันจะเกิดญาณปัญญาเรียกว่าสัญญาตัวนี้เองควรมรู้อันนี้แหละมันพลิกกระลุ้มกระลุ่เอียงซ้ายเอียงหัวก็รู้อะไรรู้เข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็ต้องพยายามทําควรมเพียนไม่เลิกละไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอรเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีทางมาในแล้ว น, นี่แหละการเดินทางไม่ใช่จะเอาหัวไปเดิน ไม่ใช่เอาแค่เอาขาไปเดินดูที่ไหนตัวเองเป็นคนปฏิบัติเมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันจะรู้เห็นเข้าใจเองคนอื่นจะเห็นแทนเราไม่ได้อันนี้แหละดวกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิแท้หน้าที่ของพอ่อพ่อต้องรู้จักหน้าที่ของพอ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ของแม่ลูกต้องรู้จักหน้าที่ของลูกถ้าหากพอ่อไม่รู้จักหน้าที่ของพอ่อไปทําหน้าที่ของแม่ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไปทำก็ผิดเลยแม่บอรเนี่ยไปทำหน้าที่ของพ่อเบี้ยไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ผิดไปเลยลูกบ่รเนี่ยไปทำหน้าที่ของพ่อของแม่มันก็ผิดไปเลยดังนั้นจึว่ศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของขวมเป็นคนแต่ให้รู้จักคนก่อนนะยังไปศึกษาหน้าที่ของขวมเป็นคนอย่างตำรวจทหารครูปศบาลเนี่ยต้องรู้จักหน้าที่ของเราถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้ว ไปปฏิบัติหน้าที่ของเราก็จะสับสนวุ่นวายนําความเดือดร้อนมาให้แก่เราเมื่อเรามีความเดือดร้อนเราสังคมก็เดือดร้อนไปเองไม่ไม่จ้าไปศึกษาที่ไหนเลยหลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนั้นแต่หลวงพ่อต้องพยายามโทษอย่างนี้ทุกคนมาที่นี่คันถ้าเคยมาฮอดสองสามครั้งหลวงพ่อพูดเรื่องพูดเรื่องเก่าเนี่ยของเก่านี่แหละแต่พูดอย่างนู้มันยังไม่เข้าใจ บางคนยังไม่เข้าใจนะเมื่อเรายังทำลายค่วมทุกประเทศที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ยังไม่ใช่คนเป็นคนแค้งขาหน้าจามือเท่าเป็นคนในขณะที่มันเียว่าอารมณ์ไม่ดีนะใจมันหายใจมันก็แน่ไม่ใช่คนแนละ้จวจิ้วคนแต่ไม่ใช่คนรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้คนแต่ความเป็นคนก็ต้องอยู่ในคน เนี่ยให้เข้าใจอย่างไหมดังนั้นเราควรศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเราก็จะถูกหลอกอยู่ไม่เฝ้าเลยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเสี่ให้ถูกต้องและติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน มีอเนกสงสงรารหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาตินี้ให้หลวงพ่อว่าภาษาบัานหลวงพ่ออีกทีนึน่งถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่แน่นอนที่สุดแต่ปฏิบัติให้จิดต้อกันเหมือนลูกโซ่บเลยคนที่า ม, มาปฏิบัติจงังซีอยู่แบบไม่ได้เลยมันไม่ได้เพราะเมื่อการทํามาหากินทั้งเจ็ปีเนี่ยมันจ้น้อยไปไหนพระพุทธเจ้าของเราทำหกปี คนที่ไม่มีปัญญานั้นเจ็ดปีต้องรู้เนี่ยพระบุรีเจ้าท่านท่านคิดขึ้นมาบัดนี้เราทําตั้งแต่เป็นเนรเท่าไหถึงอายุตีสิบหกปีอย่างม่ลูกก็ทำอยู่อย่างนั้นเนละแล้วก็รู้เนื่อกว่าดูลมหายใจเป็นดูข่มคิดเนื่องว่าเป็นทางจริงๆเนี่ยจะกระทกเหมือนกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนี่น่ะเรื่องสมถะกรรมฐานมันจรงมันรวมกันคําพูดมันแย่งกันไม่ได้มันแยกแยะออกจากกันไม่ได้เมื่อมารู้อันิโรมันคนละเรื่องกัน ดังนั้นสมถะกรรมฐ า, านจึงเป็นอุบายใหส้สงบจิตสงบใจเท่านั้นวิปัจนากรรมฐ า, านจึงเป็นอุบายให้เกิดปัญญาคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาท่านว่าคนจะล่วงทุกไปได้เพราะสงบมีที่ไหนอันนี้หลวงพ่อไม่รู้สงบเนี่ยไม่ได้วันคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาการที่ว่าปัญญาเนี่ยมันต้องเห็นแจ้งรู้จริงจว่าจักสุ ป, ปัญญาคือตานี่เอง ดังนั้นเราศึกษาธรรมะจึงว่ามันศึกษาแต่คนละรูปแบบกันแต่มันทุกทุกคนจึงว่าหลวงพ่อชอบเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่จะพูดเรื่องนี้ถึงตายหมดลมหายใจเคลื่อนไหวไม่ได้ก็หยุดกันเลยถ้าหากยังมีลมหายใจอยู่จะพูดเรื่องนี้เมื่อเรารู้จักจกันนี่แหละที่ว่าเมื่อเรารู้จักเห็นแจ้งเข้าใจจริงโมหะโลภโทสะ สามคนนี้มันจะอยู่มวดเดียวกันแต่เมื่อหลวงพ่อเข้าไปจริงๆคือมันมีหนายหน้านายประตูมันก็ต้องโทรสั่งมันเป็นคนที่รักษาประตูมันไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ได้เพราะว่าตัวนี้จิงวะเหมือนกับคนกินเหล้าเนี่ยปึ้งปั้งเข้าใส่เลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นทีว่ว่าเข้าไปเจอตัวนี้แล้วก็ออนี่เจอคนนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะที่เอานายหน้ามัออกไปแล้วโมหะนี่เป็นคนประดับ จะเป็นคนหนุนหลังโมหะนี่มันไม่เข้าไปใกล้หรอกไอ้โทสะนี่ทีเดียวมันเข้าไปซกไปต่อยไปตีมันไอ้โมหะนี่เอามึงเอาเอามึงเอาอย่าสมมติเอานั่นเนี่แต่เมื่อไม่มีไอ้นั้นแล้วไอ้โมหะมันก็หนีเลยมันไม่เข้าไปใกล้คนเนี้ยมันเป็นลูกเรียกว่าลูกหนูนอันเนี่ยมันเป็นลูกหนูนสมมติคือยังทหารหรือตำรวจเนี่ยตัวนายแท้แท้ได้เข้าไปจับผู้ไายเลยต้องมีลูกน้องไปจับเป็ลูกกันก็เหมือนกัน ตัวนายแท่ๆไม่ไปลบเลยต้องส่งลูกนอกไปลบอันนี้ก็เช่นเดียวกันโมหะไม่ใช่ตัวที่มาลบมันเป็นตัวสนับสนุนตัวโทสะที่เดียวมาเข้ามาเป็นกำลังของโมหะ จ, จับจุดนี้ได้ก็โอ้อนี่จับตัวนี้ได้แล้วก็โมหะอับโรพาเนี่ยก็ลดน้อยไปเลยจุดว่านำสีเต็มกระป๋องคุณภาพไม่มีไปยอมผ้าขาวจึง ไม่ค่อยติดถ้าเป็นสีดําก็ไม่ดำผ้าถ้าเป็นสีแดงก็ไม่แดงผ้าไม่ไม่ไปตามสีได้แบบ น, นี้ดังนั้นเดี๋ให้เลือกจะเกิดมาทําไหมเพื่ออะไรแก้ปัญหาที่ตรงไหนเรียนหนังสือจบประโยคเก้าธรรมะนะเรียนหนังสือทางโลกปริยัยเอกได้เงินเดือนแต่ข่มทุกอย่างมี้ย่างโควิดบ้านหวงพ่อเรีกว่าอย่งโควิดอย่างบุพนั่น มันยังไม่หลุดอันตรายยังไม่พ้นจากอันตรายไปจะถือว่าเป็นบัณฑิตก็ได้เป็นนักปราชญ์ก็ได้บัณฑิตนักปราชญ์กับตำราแต่ตัวจริงแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธมันเรื่องนั้นดีเลยเนี่ยเมื่อเราพ้นทุกไปแล้วนั่นแหละห่วงเป็นคนเมื่อเราพ้นทุกไปแล้วนั่นแหละเราจะศึกษาหน้าที่ของคน หน้าที่ของคนควรทำยังไงแก้ไขปัญหาอะไรดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าการพูดร้อยคำพันคำมื่นคำแสนคำก็ตามสู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้เนี่ยการกระทำครั้งเดียวจะทำยังไงก็ทำให้มันรู้สึตจวนี่เองดังนั้นเราเคยสู้กันว่าท่านจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นั่นไม่ประมาทคืออะไรเราก็ต้องไปเรียนหนังสือรู้กันไม่ประมาณนั่นงนอนให้ถูกต้องกับเวลมเวลารักษาอาณาไมสุขภาพให้มันถูกต้องเราก็ถูกต้องนะอันนั้นก็ถูกเหมือนกันคําว่าจงศึกษาและจงปฏิบัติจงทําให้ความถึงพรโดยเป็นคนไม่ประมาทก็คือเราดูใจเรานี่เองมันไปที่ไหนก็รู้เรานี่จงทํา ควรไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราอยู่ที่ไหนก็รู้ได้การศึกษาธรรมะเป็นวิธีรัดรัดสันส้นๆจับใจควมได้เลยดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กครูอาจารย์ครูอาจารย์จะว่าผิดก็มันผิดครูครูอาจารย์ว่าทุก็มันทุกของครูแต่ตัวเรานี่มันทุกด้วยมันผิดอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิแท้จงอโอ วำวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีความหมายลึกลับซับซ้อนมากที่สุดถ้าหากเป็นนักทฤษฎีนะเรียนมากแปลยังไงก็ได้แต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นนักทฤษฎีไม่จะเป็นนักแต่หนังสือหลวงพ่อพูดตามอุดมการณ์หรือความเข้าใจตัวเองไปอย่างนั้นคำว่าสัญญาตัวนี้ไม่มีเมื่อสัญญาตัวนี้ไม่มียามวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ก็พ่อไปเรียนจากตำรา เกิดขึ้นได้เพราะจากการได้ยินแนบว่าอันนั้นเป็นวิปัสสนึกวิปัสคิดอย่างวิปัสนาอย่างวิปัสสนึกวิปัสคิดวิปัสคากาเนเอาก็ได้อย่าให้เป็นวิปัสนาจริงๆว in in im, ิปัสนาแจวลู่แจ้งเห็นจริงต่างเก่าร่วงภาวะเดิมทันวันนั้นถ้าหากยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงยังไม่ต่างเก่ายังไม่ร่วงภาวะเดิมนั้นจะจัดเป็นวิปัสนาไม่ได้แต่มันเป็นวิปัสสนึกเอา เป็นนี่ตัดสอว่าเอาว่าเอาคนเดียวเราเนี่ยเมื่อท่านว่าอย่างนั้นเตอไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย์มาให้ฟังหรอกอันนี้แต่ว่าเราว่าเอาคนเดียวเนี่ยเพราะเราได้เพราะยังไงเว้าได้เพราะว่าหนังสือกราเมสูตรบอกไว้แล้วอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่าเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตําราคันนี้ในตําราก็แปลว่าเราไปเรียนลอกแบบเอานั่นเอง ว่าครูบาอาจารย์ไปทำตามครูบาอาจารย์ก็เป็นเราไปเรียนลอกแบบเอา น, นั่นเองและถ้ากอย่าเชื่อถือโดยการโดนดานึกคิดเอาเองอย่าเชื่อถือบุคคลนี่พูดแล้วหน้าเชื่อถือหน้าเคารพท่านปฏิเสธทั้งหมดเลยทําไมท่านปฏิเสธอย่างนั้นก็ท่านให้ฟังแต่อย่าไปเชื่อทันทีต้องปฏิบัติเอาเองอว่าสันทิ่ตีโฟนอันพูดรู้จักฟึงเห็นเอง ต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วจึงจะโอ้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิของเราไม่ใช่สัมมาทิฏฐิของคนนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิของคนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของใครของเราดังนั้นทึ่สัมมาทิฏฐินี่จังหวะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเป็นหน้าที่คิดจริงๆถ้าเราไปติดแล้วเราจะอาจเป็นอะไรปิดจกักษุปัญญาของเราก็ได้เนี่ยเรื่องสัมมาทิฏฐินะหลวงพ่อชอบพูดแต่ เรื่องที่ควรศึกษาเรื่องที่ควรปฏิบัติเรื่องที่จะเอาไปแก้ปัญหาตัวเองถ้าหากแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วเราจะดินไปแก้สังคมก็เดือดร้อนทุกันเองหรือจะเอาความเดือดร้อนไปให้กับสังคมนั่นเองดังนั้นจะทำพูดคิดอะไรต่างต้องแก้ตัวเราให้มันแน่นอนถ้าหากแก้ตัวเราไม่แน่นอนเราไปว่าเราอาจจะผิดก็ได้ถูกต้องก็ได้ เมื่อเราชอบอย่างไงจะพูดอย่างนั้นตามอารมณ์เรียกว่าอิสระไม่ใช่อย่างนั้นอิสระก็หมายถึงนํายอมไม่ติดนั่นเองเป็นผ้าสดๆอยู่นั่นเองถ้าหานําย้อมยังติดผ้าไม่ใช่อิสระแล้วนั่นเนี่ยเปนไรควรเป็นไทยก็เช่นเดียวกันเป็นธาตุของน้าสีผ้านั่นถ้าหากน้ําสีไม่ติดจะควรเป็นไทยได้จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะจะว่าคนไม่ใช่คนรู้อย่างไม่รู้ ถ้าหากเป็นคนจริงๆแล้วนามสีจะไม่ติดติดกันน้อยที่สุดจะสลัดทิ้งทันทีนี่แหละเราต้องศึกษาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจจริงๆดังนั้นจะว่าทุกคนปฏิบัติได้ไม่หวิดอยากฝีมือของเราเองถ้าหากเรามีศรัทธาแท้นะถ้าหากสถาไม่จริงศรัทธาหัวเตาจะลุกๆลุบเนินเนินศรัทธาหัวเตาบ้านหลงเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเตาจเาเนี่ยคน ขจาจุดปลาบ้านหลวงพ่อมันเอาหัวมันหลุกเข้าไปไหนแล้วมันก็ตียันมก็เก่งลงไปหาน้ําบนไฟบวมไม้บ้านหลวงพ่อมเป็นภูเขาทางไฮบ้านพ่อเรี้ยวไฮเล็กส่วนจูดไฟม้านแล้วไฟไหม้ป่าไปบป็นโตเตาบัานหากินเห็ดกินยังมันไฟมาม้อแล้วมันเอาหัวมันสรุปเข้าไปไหนแล้วมันตีมันยันมันเก้งไปเลยผ้ากองไฟกรไดเพราะไฟมันไหม้กระดองเตาพีดีซีลงไปถึงที่ซุ้มที่เย็นไฟบวมไม อันนั้นเขาเอื้นศรัทธาหัวเต้าตเพิ่งว่าบ้านหลวงพ่อขาจาวัายเหมือนกันดังนั้นจิงว่าให้เราศึกษาให้เข้าใจการศึกษาทางทฤษฎีตำรับตารานั้นดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าเราจริงแล้วหรือหรือไม่จริงถ้าหากยันมีความสงสัยน้อยก็ทุกน้อยมีความสงสัยมากก็ทุกมากเรื่องแรกต้องเอาไหนหน้าไหนด้านม ใ, ให้ได้นะคือโทษสั โมหะโลภะเนี่ยต้องเป็นนักมวยเอาเป็นเซีนเปี้ยนจุดนี้ก่อนเมื่อเป็นสซมเปีเ้ยนได้เราก็เอาขึ้นไปซกไปขึ้นเวทีไม่ต้องค้อยขูแล้วซกไปซกไปกนถึงที่สุดได้